วันนี้มาขึ้นอุทยะมานวกะปัญหาในเทศที่13ท่านพระอุทยนะอุทยกับอุทัยนะทูลถามว่าข้าพระองค์มีความต้องการด้วยปัญหาจึงมาเฝ้าพระองค์ผู้มีฌานไม่มีกิเลสดังทุลีประทับอยู่ที่ป่าสารกะเจดีทรงทรรมกิจเสร็จแล้วไม่มีอาสะวะทรงถึงฝั่งแห่งธรรมะทั้งปวง ขอพระองค์โปรดตรัสบอกอัญญาวิโมกคืออรหัตตะวิโมกอันเป็นเครื่องทำลายอวิชามาถึงก็ชมพระพุทธเจ้าสำคัญว่าพระองค์นั้นเป็นผู้เสร็จกิจหมดแล้วขอให้พระองค์บอกอรหัตตะพด้วยนะบอกอรหัตตะมักด้วยอรหัตตะมักนี่แหละเป็นเครื่องทำลายอวิชามาถึงอามาขออรหัตตะมักเลยค่ะของเราปกติกล้ากันหรือเปล่านะแต่ของท่านนัานกล้าและพระองค์ก็ให้ได้จริงๆด้วยนะ คำว่าผู้มีฌานคือที่บอกว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีฌานนะฌานที่พระองค์มีอะไรบ้างอ่ะก็คือด้วยปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุทฌานคำว่าจตุทฌานนี่อมถึงอรูปฌานด้วยเลยพระองค์นี่มีฌานที่มีวิตกวิจารณะฌานที่ไม่มีวิตกมีแต่วิจารณฌานที่ไม่มีวิตกไม่มีวิจารพระองค์มีฌานที่มีปีติฌานไม่มีปีติ พระองค์มีฌานที่ประกอบด้วยสุขฌานที่ประกอบด้วยอุเบกขาพระองค์มีฌานที่เป็นสุ ญ, ญตะอนิมิตะอัปปนิหิตะพระองค์มีฌานที่เป็นโลกิยะและฌานที่เป็นโลกุตระทรงยินดีในฌานทรงขวนขวายซึ่งความเป็นผู้เดียวหนักอยู่ในอรหัตตผลซึ่งเป็นประโยชน์ของพระองค์โดยเฉพาะการเข้าอรหัตผลสมาบัตินั้นเป็นสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น ซ่องเสพเป็นนิดเนี่ยนะซ่องเสพเป็นประจําเป็นที่เป็นอัธยาศัยของพระองค์โดยสำปายอันพระองค์นี้เรียกว่าเป็นผู้มีฌานคือมีฌานสี่ฌานที่เกี่ยวกับวิตกฌานเกี่ยวกับปีติฌานเกี่ยวกับสุญญติอนิมิตต์อัตนิหิตะ์ฌานที่เป็นโลกิยะและโลกุตระพระองค์นี้ไม่มีกิเลสดังทุรีนะกิเลสที่เหมือนทุรีก็คือราคะโทสะโมหะความโกรธความผูกโกรธ เป็นต้นเนี่ยนะอกุศลาภิสังขารทั้งปวงเนี่ยเป็นดังทุลีกิเลสเป็นดังทุลีเหล่านั้นอันพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ตรัสรู้แล้วทรงละได้แล้วตรากขาดแล้วทําให้ไม่มีที่ตั้งดังตาลยอดด้วนให้ถึงความไม่มีไม่ให้เกิดขึ้นอีกต่อไปเป็นธรรมดาเพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ตรัสรู้แล้วจึงชื่อว่าผู้ไม่มีทุลีปราศจากทุลีไปปราดแล้วจากทุลี ละธุลีเสรยจแล้วพ้นขาดจากธุลีธุรีคืออะไรธุลีก็คือราคะนะราคะเป็นธุรีแต่ท่านม่ได้กล่าวละองว่าเป็นธุรีนะพวกฝุ่นละองไม่ใช่ธุรีหรอกคําว่าธุลีนี้เป็นชื่อของราคะพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้มีจักษุทรงละธุรีนั้นแล้วเพราะเหตุนั้นพระพุทธชินะท่านจึงกล่าวว่าเป็นผู้มีธุลีไปปราดแล้วเนี่ยนะก็คือละธุลีคือราคะได้แล้วเนี่ยนะ โทสะเป็นทุลีท่านไม่ได้กล่าวละ อ, องว่าเป็นทุลีคำว่าทุลีนี้เป็นชื่อของโทสะพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้มีพระจักษุทรงละทุลีนั้นแล้วเพราะเหตุนั้นพระพุทธชินะท่านจึงกล่าวว่าเป็นผู้มีทุลีไปปราดแล้วเป็นผู้ละกิเลสเป็นดังทุลีได้หมดแล้วเนี่ยโมหะเป็นทุลีแต่ท่านไม่ได้กล่าวละองว่าเป็นทุลีคำว่าทุลีนี้เป็นชื่อของโมหะ พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้มีพระจักสุทรงละทุรีนั้นแล้วเพราะเหตุนั้นพระพุทธชินะท่านจึงกล่าวว่าเป็นผู้มีทุลีไปปราดแล้ว น, นัคําว่าทุลีก็เป็นชื่อของราคะโทสะและโมหะพระองค์นั้นทรงละทุลีคือราคะโทสะโมหะได้เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเรียกว่าพระองค์ผู้ไม่มีกิเลสดังทุลีคําว่าพระองค์ผู้ประทับคือพระผู้มีประทับภาคเจ้าประทับอยู่ที่ปาสานกะเจดีเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่า ประทับอยู่เชิญดูพระมุนีพูดถึงฝั่งแห่งทุกข์ประทับอยู่ที่ภูเขาพระสาวกทั้งหลายผู้ได้ไตรวิชาเป็นผู้ละมัจจุเสียนั่งห้อมล้อมอยู่ให้ดูพระพุทธเจ้านะพระองค์ผู้ที่มีพระอรหันต์นั่งแวดล้อมพระองค์อยู่พระอรหันต์ทั้งหลายก็ระลึกชาติได้เห็นสัตว์เกิดสัตว์ตายลา ก, กิเลส ท, ทั้งหมดเนี่ยนะ มีพระรหาร น, นั่งห้อมล้อมอยู่เนี่ยดูว่าจะงดงามขนาดไหนกระว่ากราบไปที่ไหนไม่มีผิดหวังเลยนะสมัยนั้นอะ่ะอันหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าชื่อว่าประทับอยู่เพราะพระองค์เนี่ยทรงระงับความขวนขวายด้วยกิเลสทั้งปวงมีธรรมะเป็นเครื่องอยู่นะพระองค์เนี่ยอยู่จบแล้วมีจารณะประพฤติแล้วพระองค์เป็นผู้ที่ไม่มีสงสารคือชาติชรามรณะก็ะจะไม่ได้มีพบใหม่อีก พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ประทับอยู่ด้วยเหตุอย่างนี้นะพระทเรียกว่าอยู่อยู่แบบพระอรหันนะไม่ได้อยู่แบบคนมีกิเลสนั่นะมันพระองค์เนี่ยเป็นผู้มีฌานพระองค์ไม่มีกิเลสดังทุลีพระองค์ประทับอยู่ด้วยคุณธรรมของความเป็นพระอรหันคำว่าพระองค์นทรงธรรมกิจเสร็จแล้วไม่มีอาสวะคาว่ากิจก็คือกรรมที่ควรทาและกรรมที่ไม่ควรทำ พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสรู้แล้วทรงละได้แล้วตัดรากขาดแล้วทรงทําให้ไม่มีที่ตั้งดังตาลยอดด้วนให้ถึงความไม่มีมีความไม่เกิดขึ้นต่อไปเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นพระองค์เชื่อว่าผู้ทํากิจเสร็จแล้วนัคือละกรรมกรรมดํากรรมขาวกรรมทุกอย่างเนี่ยนะถือว่าเป็นกิจเนี่ยพระองค์เนี่ยทำเสร็จแล้วละกรรมเหล่านั้นได้หมดแล้วคือจะไม่มีกรรมตัวใดนําเกิดหรือนําไปก่อสู่พบใหม่อีกต่อไป ทิฏฐิเป็นเครื่องตกไปรอบย่อมไม่มีแก่ภิกษุใดผู้มีกระแสอันตัดขาดแล้วละแล้วซึ่งกิจที่ควรทําและกิจที่ไม่ควรทําความเร่าร้อนย่อมไม่มีแก่ภิกษุนั้นเรียกว่ากิจที่ควรทํำหมายถึงกุศลกรรมมันนะกิจที่ไม่ควรทําหมายถึงอกุศลกรรมเนะี่ยกรรมเหล่านั้นเนี่ยพระ อ, องค์ละได้หมดเกลี้ยงแล้วเนี่ยนะเพราะว่าแม้กระทั่งบุญพระ อ, องค์ก็ละแล้วบาปพระ อ, องค์ก็ลอยแล้วเนี่ยนะไม่ไม่เหลือเลยนะเพราะว่า ผู้ที่ทํากิจจนบรรลุอรหัตตะมักอรหัตตะมักเกิดขึ้นนี้ก็จะประหารความเป็นบุญความเป็นบาปเรียกว่าตัดกรรมที่จะให้มีวิบากต่อไปอาสะวะมีสี่ประการคือการมาสะวะภวาสะวะทิฏฐาสวะอวิชชาสวะอ า, วา ส, ะ ว, ะอาสะวะเหล่านั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ตรัสรู้แล้วทรงละได้แล้วตัดรากขาดแล้วทําให้ไม่มีที่ตั้งดังตาลยอดด้วนให้ถึงความไม่มีไม่ให้เกิดขึ้นอีกต่อไปเป็นธรรมดา เพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ตรัสรู้แล้วจึงชื่อว่าผู้ไม่มีอาสวะนี่นะผู้ที่ทำกิจเสร็จแล้ว น, นี่พระพุทธเจ้านั้นทรงถึงฝั่งแห่งธรรมะทั้งปวงนี่นะถึงฝั่งไหนคือพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงถึงฝั่งแห่งอภิน ญ, ญาถึงฝั่งแห่งปริญญาถึงฝั่งแห่งปะหานะถึงฝั่งแห่งภาวนาถึงฝั่งแห่งการทาให้แจ้ง ถึงฝั่งแห่งสมาบัติธรรมทั้งปวงนะก็คืออภิญญาปริญญาปหานภาวนาสัจจิกิริยาและสมาบัติคือทรงถึงฝั่งแห่งความรู้ยิ่งซึ่งธรรมทั้งปวงถึงฝั่งแห่งการกําหนดรู้ซึ่งทุกทั้งปวงถึงฝั่งแห่งการละกิเลสทั้งปวงถึงฝั่งแห่งการเจริญอริยมรรคถึงฝั่งแห่งการทําให้แจ้งซึ่งนิโรธถึงฝั่งแห่งการเข้าสมาบัติทั้งปวงคือไม่มีสมาบัติใดที่พระพุทธเจ้าเข้าไม่ได้ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นทรงถึงความชำนาญและความสำเร็จในอริยศีนอริยสมาธิอริยปัญญาอริยวิมุตตพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเสด็จไปสู่ฝั่งทรงถึงฝั่งแล้วเสด็จไปสู่ส่วนสุดถึงส่วนสุดแล้วเสด็จไปสู่ที่สุดทรงถึงที่สุดแล้วเสด็จไปสู่สุดส่วนสุดรอบทรงถึงส่วนสุดรอบแล้วเสด็จไปสู่ที่จบทรงถึงที่จบแล้ว เสด็จไปสู่ที่ต้านทานทรงถึงที่ต้านทานแล้วเสด็จไปสู่ที่เร้นทรงถึงที่เร้นแล้วเสด็จไปสู่จารณะทรงถึงจารณะแล้วเสด็จไปสู่ที่ไม่มีภัยทรงถึงที่ไม่มีภัยแล้วเสด็จไปสู่ที่ไม่เคลื่อนทรงถึงที่ไม่เคลื่อนแล้วเสด็จไปสู่อมตะทรงถึงอมตะแล้วเสด็จไปสู่นิพานทรงถึงนิพานแล้วนะพระผู้มีพระภาคเจ้านั้น มีธรรมะเครื่องอยู่จบแล้วทรงมีจารณะประพฤติแล้วเพราะฉะนั้นสังสารวัตรคือชาติชรามรณะในภพใหม่ม่ได้มีสําหรับพระองค์ต่อไปอันนั้เรียกว่าถึงฝั่งแล้วเนี่ยนะแปลว่าถึงจุดสุดยอดแล้วเนี่ยคืออรหัตผลดังการถึงจุดสุดยอดอันนั้นนี่แหละทำให้สินส้นภพสิ้นชาติสิน้นปฏิสนธิสิน้นวัตตะได้โดยประการทั้งปวง คำว่าข้าพระองค์มีความต้องการด้วยปัญหาจึงเข้ามาเฝ้าความว่าข้าพระองค์มีความต้องการด้วยปัญหาจึงมาเฝ้าคือเป็นผู้จะถามปัญหามาเฝ้าแล้วเป็นผู้ไขฟังปัญหามาเฝ้าแล้วแม้ด้วยเหตุอย่างนี้ดังนี้จึงชื่อว่าข้าพระองค์มีความต้องการด้วยปัญหาจึงมาเฝ้าอีกอย่างหนึ่งความมาความมุ่งมา ความมาเฝ้าของพวกข่าพระองค์ผู้มีความต้องการด้วยปัญหาคือต้องการจะทูลถามปัญหาใไขฟังปัญหามีอยู่ด้วยเหตุอย่างนี้ดังนี้จึงชื่อว่าข่าพระองค์มีความต้องการด้วยปัญหาจึงเข้ามาเฝ้าคือสงสัยนะก็เลยมาทำอีกอย่างหนึ่งความมาแห่งปัญหาของพระองค์มีอยู่ทั้งพระองค์มีความเป็นผู้องค์อาจ ให้ผู้อื่นมีความเพียรสามารถเพื่อจะตรัสถามตรัสบอกทรงแก้ทรงชี้แจงให้เห็นแจง้งทรงเฉลยกับข่าพระองค์ได้แม้เหตุอย่างนี้จึงเชื่อว่าพระองค์เนี่ยข้าพระองค์มีความต้องการด้วยปัญหาจึงเข้ามาเฝ้าคือพระองค์เนี่ยฉลาดถามปัญหาในขณะเดียวกันพระองค์ก็แก้ปัญหาเป็นเนี่ยนะพระองค์ถามก็ได้ตอบก็ได้ทั้งถามก็ได้ทั้งตอบก็ได้เป็นทุกอย่างเพราะฉะนั้นสามารถชี้แจงแถลงให้ผู้เข้ามาหาเนี่ย คลี่คลายปัญหาได้หมดเลยอารหัตตวิโมกท่านกล่าวว่าอัญญานวิโมกเพราะฉะนั้นขอให้พระองค์ประกาศซึ่งอารหัตตโมอรหัตตวิโมกขอพระองค์โปรดตรัสบอกอัญยาวนวิโมกคืออัญญาวิโมกคืออรหัตตวิโมกนั่นเองนะพระองค์นี้เป็นผู้ทําลายอวิชชาคือทุบต่อยทําลายละสงบสละคืนระงับซึ่งอวิชชาเป็นอมตะนิพพานเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าทรงทําลายอวิชชา เมื่อแทงตลอดพระนิพพานแล้วจึงเรียกว่าเป็นผู้ทำลายอวิชชาสรุปคำถามที่ว่าข้าพระองค์มีความต้องการด้วยปัญหาจึงมาเฝ้าพระองค์ผู้มีฌานไม่มีกิเลสดังทุรีประทับอยู่ที่ปาสารนะกะเจดีทรงทรรมกิจเสร็จแล้วไม่มีอาสวะทรงถึงฝั่งแห่งธรรมะทั้งปวงขอพระองค์โปรดตรัสบอกอัญญาวิโมกนะนะอัญญาวิโมก คืออรหัตวิโมกอันเป็นเครื่องทำลายอวิชชาพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าดูก่อนอุทยะเราขอบอกอัญญาวิโมกเป็นเครื่องละซึ่งกามาฉันทะและโทมณนตทั้งสองอย่างเป็นเครื่องบรรเทาความง่วงเป็นเครื่องกั้นความรำคาญเนี่ยนะอรหัตวิโมกนี่แหละเป็นตัวละกามาฉันทะละโทสะละ ทีนะมิทะละกุกุจะเนี่ยนะก็เท่ากับบอกว่าอรหัตวิโมกนี่แหละเป็นตัวละนิวรห้าซึ่งอธิบายโดยลำดับดังนี้ว่าความพอใจในกามความกำหนัดในกามความเพลินในกามความอยากในกามความสิเนหาในกามความกระหายในกามความเร่าร้อนในเพราะกามความหลงในกามความติดใจในกามในกามทั้งหลายกามโมฆะกามโยคะกามุปาทานกามมชันทะนิวรหัชชื่อว่าฉันทะ ขันคอบอกอัญญารวิโมก ค, คืออรหัตผตลเนี่ยนะอรหัตเนี่ยเป็นเครื่องกําจัดกามฉันทะดังกล่าวไปคําว่าธรรมะเป็นเครื่องละกามฉันทะความว่าธรรมะเป็นเครื่องละเครื่องสงบเครื่องสละคืนเครื่องระงับกามฉันทะทั้งหลายเป็นอมะตะ น, นิพานพระนิพานนี่แหละเมื่อบุคคลใดมีนิพานเป็นอารมณ์จึงสามารถจะถอนกามฉันทะได้ท่นนิพานนั้น ถือว่าเป็นที่เพิกถอนแห่งอะไรเป็นที่สางแห่งความเมาทั้งปวงะนะเมื่อมีนิพพานเป็นอารมณ์นี่แหละจริงๆเรียกว่าหายเมาอย่างแท้จริง อ, อัญญาณวิโมกเนี่ยเป็นเครื่องละโทมณัต ด, ด้วยนะคำว่าโทมณัตก็คือเป็นชื่อแห่งความไม่เช่มชื่นในทางใจเจตสิกทุกความเสวยอารมณ์เป็นทุกข์ไม่เช่มชื่นเกิดจากสัมผัสทางใจทุกขเวทนาอันไม่เช่มชื่นเกิดจากสัมผัสทางใจชื่อว่าโทมณัต เพราะนั้นธรรมะเป็นเครื่องละโทมานต์นนะก็คือธรรมะเป็นเครื่องละเครื่องสงบเครื่องสละคืนเครื่องระงรับซึ่งการมฉันทะและโทมนัสทั้งสองประการเป็นอมตะนิพานอันถ้าจะละโทมนตสคือพยาบาทหรือจะละกามาฉันทะได้อย่างแท้จริงก็ต่อเมื่อมีนิพานเป็นอารมณ์ ความที่จิตไม่ควรความที่จิตไม่สมควรแก่การงานความท้อความถอยความกลับความหดหูกิริยาที่หดหูความเป็นผู้หดหูชื่อว่าถีนะอัญญาวิโมกคืออารหัสนั่นแหละเป็นเครื่องกําจัดถีนะมิทาพระอรหันต์นะจึงจะละถีนะมิทะได้อย่างเด็ดขาดคําว่าเป็นเครื่องบรรเทาความง่วงคือเครื่องบรรเทาเครื่องละเครื่องสงบเครื่องสละคืนเครื่องระงับความง่วง เป็นอมตะนิพานนิพานนั่นแหละเป็นเครื่องระงับความม่วงเหาได้อย่างแท้จริงส่วนนิพานเป็นเครื่องกำจัดกุกุจะก็คือความรำคาญนะกุกุจะเป็นชื่อของความรำคาญความรำคาญมือความรำคาญเท้าความรำคาญทั้งมือทั้งเท้าความรำคาญในสิ่งที่ไม่ควรว่าควรความสําคัญในสิ่งที่ ควรว่าไม่ควรความสําคัญในสิ่งที่มีโทษว่าไม่มีโทษความสําคัญในสิ่งที่ไม่มีโทษว่ามีโทษความขนองกิริยาที่รําคาญความเป็นผู้รําคาญความเดือดร้อนแห่งจิตความขัดใจเห็นปานี้ความขัดใจเห็นปานี้เรียกว่ากุจจะเพราะว่ากุกุจจะมันเกิด ร, Rabb, ร่วมกับโทสะอยู่แล้วเนี่ยนะอีกอย่างหนึ่งความรําคาญคือความเดือดร้อนแห่ ال wise, i i. หงจิตเป็นความขัดใจย่อมเกิดขึ้นเพราะเหตุ2ประการ คือเพราะทํากับเพราะไม่ทํา น, นะคนเนี่ยเดือดร้อนใจเพราะทํากับเพราะไม่ทําความรําคาญอันเป็นความเดือดร้อนแห่งจิตเป็นความขัดใจย่อมเกิดขึ้นเพราะการกระทําและเพราะไม่ทำเนี่ยเป็นอย่างไร ก็คือความรำคาญอันเป็นความเดือดร้อนแห่งจิตเป็นความขัดใจย่อมเกิดขึ้นว่าเราเนี่ยทำกายยะทุจริตไม่ได้ทำกายยะสุจริตเราทำวจีทุจริตไม่ได้ทำวจีสุจริตเราทำมโนทุจริตไม่ได้ทำมโนสุจริตก็เดือดร้อนใจนะเดือดร้อนใจเพราะทำความชั่วทางกายทางวาจาทางใจเดือดร้อนใจเพราะไม่ได้ทาดีทางกายวาจาและใจ ว่าเราเนี่ยทำปานาติบาตเราไม่ได้ทําการงดเว้นจากปาณาติบาตเราทําอธินาทานเราไม่ได้กระทําการงดเว้นจากอธินาทานเราทํากามเมสุมิจฉาจาร์เราไม่ได้ทําความงดเว้นจากการเมสุมิจฉาจาร์เราทํามุสาวาตเราไม่ได้ทําความงดเว้นจากมุสาวาทเราทําปิสุนาวาจาเราไม่ไ like ด้ทําความงดเว้นจากปิสุนาวาจา เราทำพุทสวาัจาเราไม่ได้ทำความงดเว้นจากพุทธสวัจาเราทำสัมผับปลาปะเราไม่ได้ทำความงดเว้นจากสัมผับปลาปะเราทำอภิชาเราไม่ได้ทำอนัภิชาเราทำพยาบาทเราไม่ได้ทำอัพยาบาทเราทำมิจฉาทิฐิเราไม่ได้ทำสัมมาทิฏฐิน่นคือไม่ได้เจริญวิปัสนาเป็นต้นก็เดือดร้อนมั น, นความรำคาญอันเป็นความเดือดร้อนแห่งจิตเป็นความขัดใจย่อมเกิดขึ้นเพราะทำและไม่ทำอย่างนี้ เดือดร้อนใจเพราะว่าอากุศลกรรมบทมันทํามาทุกขอ้อกุศลกรรมบทยังไม่ได้ทําเลยว่าไ ง, งนะเว้นจากปานาฏิบาตอธินนาทานการเมสุมิชฌาจารเราก็ยังไม่ได้สมาทานรักษาเว้นจากการพูดเท็ศพูดคํำยาพูดเพือเจอพูดซอเสียดก็ยังไม่ได้รักษาหรือว่าการเจริญเนฆคัมมะการเจริญเมตตาการเจริญวิภัสนาก็ยังไม่ได้ทำํำวันนี้จะเดือดร้อนใจ